ยังไงสบายดีนะไปอินเดียยังไปกุมภาครับกุมภาครับคิดว่าจะไปไปดูอะไรคิดว่าจะไปดูอะไรไปกุมภาไปดูศิลปะไปกี่วันวันที่หน่งมีโปรแกรมอะไรบ้างไป ปฏิบัติปฏิบัติทุกวันเลยค่ะวม่ีโปรแกรมอะไรเลยค่ะไปที่ศีลแปไปที่พุทธคยานคยาที่เดียวค่ะแล้วก็พระอาจารย์จะพานั่งสมาธิทุกวันเลยครั่อนั่งที่นี่ไม่ได้ต้องไปนั่งที่น้นนะที่ี่ก็ได้ค่ะแต่ว่าบรรยากาศนหน่อยบรรยากาศนิดหน่อยมันไม่ขังเลยแต่อยากไป ครั้งแรกค่ะคุณพาไปเหอนัยไปดูตรงที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดเนีเยอ่มันก็เหมือนตรงนี้แหละมีต้นไม้ <c oughs> มีอะไระ <c oughs> ยังไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเลยหรือว่าเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> แต่อยากจะไปอยากจะไปเห็นที่ที่พระพุทธเจ้าพุทธกิยานี่เป็นที่ตัดสั้ใช่ไ้ย ตัสัสังเวชนีชนสถานสี่ที่ประเสริฐที่ตัดสรุที่แสดงธรรมครั้งแรกและที่เสด็จดับขันธ์ปะประณิตผ่านเป็นสถานที่4 ส, สถานที่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าชาวพุทธมีโอกาสก็กควรจะไปเพราะจะเสริมศรัทธาความเชื่อให้มีความ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะได้ไม่ลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าการตัดสร้ของพระพุทธเจ้าเป็นจริงหรือเปล่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงเองหรือเปล่าแล้วการจากไปของพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังสู้สู้ไป หาพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ได้ยังมีวิธีหนึ่งที่จะไปหาพระพุทธเจ้าคือวิธีปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมดึงธรรมเข้าสู่ใจมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่ต้องไปเห็นที่เห็นตัวพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นเราตถาผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคตทมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรัรคือพระอริยสัจสี่ถ้าผู้ปฏิบัติดึงใจเข้าข้างในได้ผู้ปฏิบัติก็จะเห็นพระอริยสัจสแล้วก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นของจริงเป็นคนจิเป็นผู้ที่ ตัสรู้พระอริยสัจสจริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมนะผู้ที่เห็นตถาคตเห็นธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคือพระอริยสงสารุนนี่พระพุทธพระธรรมพระสง์ จะมาพบกันในที่เดียวกันในใจของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอจิตรวมเข้าสู่ภายในก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นความทุกข์ใจเห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเห็นการดับของความทุกข์ใจและเห็นวิธีที่จะทําให้ทุกข์ดับ อันนี้จะมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่ตอนนี้พวกเราไม่เห็นกันเพราะใจของเราออกไปเที่ยวข้างนอกกันไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไปยึดไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสเลยไม่เห็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นไม่เห็นอริยสัจสี่ เวลาทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็คิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสทำให้เราทุกข์เห็นรูปที่เรารักเราก็ทุกข์เพราะอยากจะได้แล้วพอรูปที่เรารักจากเราไปเราก็ทุกข์เสียอกเสียใจเห็นรูปที่เราไม่ชอบก็ทุกข์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงต้องทุกข์ เพราเราไม่ชอบรูปที่เราเห็นทำให้เราเกิดความอยากให้รูปที่เราเห็นนั้นหายไปรูปที่เราไม่ชอบนั้นหายไปถ้าไม่หายก็ทำให้เราทุกข์เช่นเจอคนที่เราไม่ชอบเราก็จะทุกข์เพราะเราอยากให้เขาหายไปแต่เขาไม่หายเขาอยู่ต่อ เราไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ว่ามันอยู่ที่ความชอบความชังของเรานี้เองเวลาเราชอบอะไรเราก็ทุกข์เพราะเรากลัวเขาจะจากเราไปเช่นเงินทองนี่เราชอบไหมเราทุกข์กับเงินทองไหมเรากลัวว่าเงินทองจะจากเราไปหรือไม่หรือเวลาเงินทองจากไปเรา ดีใจหรือเสียใจเราทุกข์ใจแต่เราไม่เห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราอยู่ที่ความอยากไห้เงินทองอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเขาไม่อยู่เราก็ทุกข์กันนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันคือต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราว่ามัน เกิดจากอะไรกันนะ่เรามักจะไปคิดว่าเกิดเพราะว่าเงินทองหมดก็เลยทาให้เราทุกแต่คนที่เขาไม่มีเงินทองที่เขาไม่ทุกข์ก็มีอยู่ทําไมเขาไม่ทุกข์เขาก็อยู่ได้แบบขอทานนี้เขาไม่มีเงินทองเขาก็อยู่ได้เขาก็อยู่แบบขอทานไป ขอมือกิดมือไปตามมีตามเกิดหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชท่านก็ไม่มีเงินทองทำไมท่านอยู่ท่านไม่ทุกข์กันก็เพราะว่าท่านไม่มีความอยากได้เงินทองไม่มีความอยากให้เงินทองอยู่กับท่านไปนานๆนเราจะไม่เห็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ของพวกเราถ้าเราไม่เข้า ดึงใจเข้าข้างในแล้วเมื่อเราไม่ดึงใจเข้าข้างในไม่เห็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจเราก็จะไปแก้ต้นเหตุที่ปลายทะที่ปลายเหตุไม่ใช่ที่ต้นเหตุเราทุกข์เพราะเงินเราก็รีบหาเงินกันใหญ่เลยกลัวเงินมันจะหมดกลัวเงินจะไม่พอใช้ก็นั่งตาตั้งหน้าตั้งตาพยายามหาเงินหาทองกันหาก็ทุกข์ก็ไม่รู้แต่ว่าทุกข์ก็หาเงิน ทุกพรอยากได้เงินอยากมีเงินพอได้มาแล้วก็ทุกขกับการที่จะต้องเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนดีกลัวจะหายอกีกแทนที่เราจะมาแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากได้เงินความอยากไม่เสียเงินนี้ก็อยากไปมีเงินเถอะอยากไปใช้เงินเถอะถ้าเราไม่ต้องพึ่งเงินทอง เราก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเงินทองอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าท่านมาบวชท่านไม่ต้องเพิ่งเงินทองพระพุทธเจ้าให้พระมาเพิ่งเพราะธรรมให้เพิ่งการศึกษาเพิ่งการปฏิบัติธรรมเพราะการศึกษาการปฏิบัติธรรมจะทำให้ใจได้พบกับที่เพึ่งที่แท้จริงก็คือความสงบ ที่เป็นธรรมังส ร, ร้ังกำกฐามิเพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขมากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็จะไม่หิวไม่โหยไม่อยากได้อะไรไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่อยากจะซื้ออะไรเพราอใจมีความสุขจากความสงบนี้แล้ว ก็เลยไม่ต้องพึ่งเงินทองเงินทองเลยไม่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราทุกข์กันความจริงเงินทองไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เราทุกข์แต่ความอยากได้เงินทองความกลัวจะเสียเงินทองไปอันนี้ต่างหากที่ทําให้เราทุกข์กันแล้วก็ทํำยังไงมันก็หนีไม่พ้น สักวันหนึ่งก็ต้องจากเงินทองที่เรามีกันไปเวลาเราตายนี่เงินทองที่เรามีอยู่เราก็ออกไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเราจะไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราว่ามันอยู่ที่ความอยากของเราไม่ว่าจะยึดกับเรื่องอะไรก็ตามกับเรื่องเงินทองกับเรื่องคนนั่นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดจากความอยากของเราใช่ไหม อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นมันก็ทําให้เราทุกข์ใจกัน <c oughs> ถ้าเราไม่มีความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไม่ทุกข์ใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่มีความอยากกับคนนั้นคนนี้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจกับคนนั้นคนนี้คนที่เราไม่มีเราไม่รู้จักเรามันจะไม่ค่อยทุกข์กับเขาใช่ไหม เขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่ทุกข์แต่คนที่เรารู้จักโดยเฉพาะคนที่เราหวังพึ่งพาอาศัยด้วยอันนี้ทําให้เราทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขาเป็นที่พึ่งของเราไปเรื่อยๆพอเขาทําตัวไม่เป็นที่พึ่งเราก็ทุกข์แล้วพอเราอยากให้เขาทําอะไรแล้วเขาไม่ทําให้เราเราก็ทุกข์เราก็เสียใจ พราะเราไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำอะไรให้เราเราก็ไม่ทุกข์กับเขาเขาจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เนื่นงจาถ้าเราอยากจะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเราต้องดึงใจเข้าข้างใ น, นการนั่งสมาธินี้เป็นการดึงใจเข้าข้างในเพราะเราจะต้องปิดทวารทั้งห้า ไม่ให้มันออกไปข้างนอกไม่ให้ไปออกไปทางตาหูจมกูกเกล็ดกายพอปิดตาแล้วก็ดึงใจด้วยพุทโธพุทโธเกิดสติเตึงใจด้วยสติใจก็จะถูกดึงเข้าข้างในถ้าใจสู้กับความอยากสู้กับกิเลส ท, ที่จะคอยดันให้ใจออกไปข้างนอกได้ใจก็จะสงบ ถ้าสู้ไม่ไหวใจก็ไม่สงบนั่งแล้วก็อดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้แสดงว่าใจเริ่มไปข้างนอกแล้วความคิดนี่แหละเป็นตัวที่จะดึงใจให้ออกไปข้างนอกเอคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปหาเขาแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะไปละ่ะถ้าสติคือพุโทโธของเรามีกำลังไม่มากก็นั่งไม่ได้ นั่งในเดียวเดียวก็ต้องลุกนะรู้สึกอิดอัดต้องลุกขึ้นไปดูไปฟังไปทำอะไรไปดื่มไปรับประทานไปทำอะไรทางตาหูจมูกรินกายถึงจะไม่รู้สึกเกิดอั ด, อดเราก็เลยคิดว่าความทุกข์ใจความอึดอัดใจของเราอยู่ที่การที่เรา อยู่เฉยๆเราจึงต้องทำอะไรกันถึงจะมีความสบายใจกันเพราะเวลาที่เราทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่เฉยๆเราก็รู้สึกอึดอัดจใจนะเช่นคนไม่สบายไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้ก็ไม่สบายร่างกายแล้วก็มาไม่สบายใจด้วยอึดอาจใจทุกใจด้วย เพราะความอยากที่จะไปทำอะไรนั่นเองแต่ถ้าเรามาหยุดความอยากได้มาทำใจให้สงบได้ใจจะไม่ทุกข์เลยกับการอยู่เฉยๆกับมีความสุขเวลานั่งสมาธิแล้วจิตสงบจิตรวมจิตจะมีความสุขมากเพราะตอนนั้นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันหยุดไปชั่วคราว ด้วยอํานาจของสติที่ไปหยุดความคิดความคิดเป็นตัวที่จะทาให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอคิดถึงอินเดียก็อยากไปแล้วคิดถึงที่นี่ก็อยากจะมาแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะเกิดความอยากแล้วแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้ตอนนี้ยังไม่สายจะไม่ไปอินเดียก็ได้ถ้าเราอย่าไปคิดถึงอินเดีย ทำเป็นให้ลืมมันไปเงี้ยเดี๋ยวถึงวันไปเราก็ไม่ได้ไปจะไม่ไปก็ต้องดึงใจเข้าข้างในดึงใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็บอกเอ้ที่นี่ก็นั่งได้หนี่ยวาทาไมต้องไปนั่งที่อินเดียด้วยที่นี่ก็สงบได้เหมือนกันทำไมต้องอุตส่าห์ถอดสังขารน่่งกายไปนั่งถึงที่อินเดียกันคนไม่มีสถางก็นั่งไม่ได้เย่ยถ้า ถ้าถ้าถ้ามันจะสงบที่อินเดียคนที่ไม่มีเสถางไปนั่งทีอนเดียก็สงบไม่ได้มันความคิดมันจะหลอกเราให้ไปนูน่นอยู่ที่นี่ก็หลอกให้ไปนูน่นพอไปถึงที่นั่นก็อยากจะกลับบ้านอยู่ไม่ได้กี่วันก็คิดถึงบ้านนะคิดถึงเลยไหมนะเวลาอยู่บ้านไม่คิดถึงบ้านนะใช่ไะคิดถึ่ยินเดีย พอไปถึงอินเดียก็จะมาคิดถึงบ้านก็กลับมาหาบ้านอีกอกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยจิตมันหลอกเราอยู่ตรงนี้ก็จะคิดถึงตรงนู้นพอไปตรงนู้นก็จะคิดถึงตรงนี้หลอกไปหลอกเราไปหลอกเรามาอย่างเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาไม่มีวันที่จะหยุดถ้าเราไม่หยุดมันด้วยสติถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธนี่เราจะคิดอะไรไม่ได้ ถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันนี้มันจะคิดอะไรไม่ได้มันจะคิดแต่พุทธโธอย่างเดียวแล้วมันก็จะอยู่ที่ที่นี่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้จะไม่รู้สึกอึดอัดใจจะไม่รู้สึกอยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่เพราะมันไม่ได้คิดถึงสถานที่นั้นที่นี่นั่นเองมันอยู่ตรงนี้มันอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปมันก็จะเยนจะสบายมีความสุขแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปตรงนู้นทําไม ใช่ในเมื่อเราอยู่ตรงนี้เรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปตรงนู้นกันที่เราไปตรงนู้นกันเพราะใจเราคิดว่าตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เพราิคิดว่าดีกว่าอะไรต้องไปแต่พอไปถึงก็บอกว่ามันก็เหมือนกันกลับบ้านดีกว่าเสียงเงินตปล่าๆเอาเงินไปทำบุญดีกว่าเสี ย, ยงเงินค่าตัว๋วค่าอะไรต่าง อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามมาพูดเป็นยกเป็นตัวอย่างให้ฟังเราความคิดเรานี้มันจะทำให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเราทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันถ้าเราอยากจะอยู่ให้เป็นสุขเราอยากให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับพุทโธไปพุทโธไปหรือเปลี่ยนเป็นพุทธังสันนังกาชามิก็ได้เปลี่ยนเป็นบทสวดมนต์บ้างก็ได้ถ้าเราเบื่อพุทโธก็เอาอยางอื่นก็ได้ เอาบทสวดมนต์เอาพุทธเอาพอสูตรที่เราท่องได้ธรรมจกกักรกบประวัตนาสูตรหรืออะไรก็ได้ให้ใจมันมีงานทํางานที่จะทําให้มันไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วมันก็จะสงบมันก็จะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้เพราะมันไม่ได้คิดถึงตรงนู้นตงนี้ไม่ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันก็เลยไม่มีความอยากที่จะไปไหนแล้วเวลามันอยากไปไหนเราก็จะเห็นขึ้นมาทันทีว่าตอนนี้เรากำลังสร้างความทุกข์ให้กับเรานะอยู่ตรงนี้ดีหรืออยากไปนู่นขึ้นมาปั๊บใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีเราก็ต้องหยุดความอยากอ่ะไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีพอหยุดความอยากปั๊บใจก็เย็นสบายเหมือนเดิมเนี่ยจะเห็น เห็นอริยสัจสี่เห็นธรรมเห็นด้วยการดึงใจเข้าข้างในดึงด้วยพุทธโธพุทธโธเข้ามาพอเข้ามาแล้วใจสงบใจก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ใจฟุ้งซ่านเพราะความอยากอยา ก, อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปนั่นอยากมานี่พอใจสงบแล้วความอยากหายไปปั๊บใจเย็นสบายมีความสุข ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไมเอ่เมื่อเราเห็นพระธรรมที่พระเจ้าทรงเห็นด้วยด้วยการปฏิบัติของเราเราก็มีความมั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงผู้ที่เห็นธรรมก็คือพระอริยสงฆ์นี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นธรรม เห็นตถาคตก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนก็คือพระสุปฏิปันโนที่เราสวดกันในบทสังคคุณสุปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะทำให้เราได้เห็นธรรมเห็นธรรมแล้วเราก็จะสงหาสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ เพราะนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงทรงนํเอามาเผยแผ่ให้กับพวกเราเหมือนกับเราไปอินเดียเนี่ยเราจะไม่สงสัยถ้าเราไปถึงที่นั่นเราไปเจอประเจอประเทศอินเดียเราก็เชื่อว่าคนที่มาบอกเราเนี้เขาเคยไปมาแล้วแล้วที่ที่ก็บอกว่าอินเดียเนี่ยมีจริงหรือไม่จริง พอเราไปถึงประเทศอินเดียเราก็เห็นว่ามีจริงมีประเทศอินเดียคนที่มาบอกเราว่าประเทศอินเดียมีอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> ก็เชี่ยวก็รู้ว่าเป็นคนจริงๆไม่ได้เป็นสิ่งที่ใครกุขึ้นมาแต่งขึ้นมาเหมือนนิยายเนี่ย <Okay. S 1> บางคนยังคิดว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นนิยาย ถ้าทำที่สอนเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดอสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเราจะเห็นเวลาที่เราทำใจให้สงบดึงใจให้เข้าข้างในเราจะเห็นเลยว่านรกก็คือนรกกับสวรรค์ก็คือใจของเรานี่ที่ร้อนหรือที่เย็นใจเย็นใจก็เป็นสวรรค์ใจร้อนก็เป็นนรก แล้วใจที่ไปเวียนว่ายตายเกิดก็ใจนี้แหละที่อยู่ไม่เป็นสุขใจที่มีความอยากมันก็อยู่ไม่อยู่เฉยๆไม่ได้มันก็จะต้องไปนู่นมานี่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปมันก็ไปหาร่างกายอใหม่เพราะมันต้องมีร่างกายพาไปไหนมาไหนได้ก็ไปเกิดใหม่อันนี้จะเห็นชัดเจนจากการปฏิบัติ ว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญที่เป็นเหตุให้เกิดสวรรค์มีจริงบาป ท, ที่เป็นเหตุให้เกิดนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและพระนิพพานที่สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงไม่ใช่เป็นของที่เขาแต่งกันขึ้นมาหลอกเราให้ทําบุญไป โดยที่ไม่มีผลตอบแทนเพราะคนที่เขาเห็นว่าทำบุญแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วไม่ได้ไปนรกเพราะเขามองไปที่ร่างกายว่าเป็นตัวเราเป็นผู้กระทาร่างกายตายไปแล้วมันก็ไม่ไปไหนลนะมันไปวัดไปสู่เมนแล้วกลายเป็นขี้เท่าที่ฐานไปร่างกายนี้มันไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกไม่ได้ ไปเกิดใหม่ไม่ได้ผู้ที่ไปนรกไปสวรรค์ไปเกิดใหม่นี้ไม่ใช่ร่างกายแต่ใจใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้แต่ใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเราจึงมองไม่เห็นใจของพวกเราไม่มองไม่เห็นตัวเราเราเห็นร่างกายที่เราใช้ตามคำสั่งของใจเราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายกัน คิดว่าใจเป็นร่างกายคิดว่าผู้กระทำบุญกระทำบาปคือร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปไม่มีก็เลยไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกเชื่อสวรรค์ก็จะคิดว่าพวกที่เชื่อนี้เป็นพวกงมงายเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้วิทยานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาจะไม่เชื่อนรกเชื่อสวรรค์กัน พระเส่งยานอากาศไปสํารวจนอกโลกไปตำบลท้องฟ้าก็ไม่เจอสวรรค์ใช่ไหมส่งเรือนําน้ําลงไปใต้น้ําก็ไม่เจอนรกเจาะใช้เครื่องเจาะลงไปในในดินก็ไม่มีนรกมีแต่น้ํามันใช่ไหมเขาก็เลยบอกนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ตรงไหนเป็นเรื่องงมงายทั้งนั้น เขาไม่รู้ว่านรกอยู่ในใจใจที่ไม่มีรูปไม่มีร่างใจที่รู้ที่คิดนี่แหละผู้ที่รู้ที่คิดนี่คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายคิดไม่เป็นไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นผู้ที่รับรู้คือใจร่างกายเป็นเพียงเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปนี้ที่ถ่ายภาพมาแต่คนที่รู้ภาพไม่ใช่กล้องใช่ไหม ลมันไม่รู้ว่ามันถ่ายภาพอะไรมาแต่คนถ่ายนะรู้รู้ว่ากาลังถ่ายภ า, าพคนนั้นภาพคนนี้แต่กล้องนี่มันไม่รู้ล่ะจะให้มันไปถ่ายอะไรตรงไหนมันก็ถ่ายมาหมดแต่มันไม่รู้ว่ามันถ่ายอะไรคนที่ถ่ายนี่แหละคือคนที่รู้ใจที่รู้รูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับรูปเสียงกลิ่นรส เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วส่งไปที่ใจทางวิญญาณใจนี่จะส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าวิญญาณในขันห้ามีห้าวิญญาณด้วยกันวิญญาณทางตาเราก็เรียกว่าจักขุวิญญาณคำว่าวิญญาณก็คือผู้รับสิ่งที่รับรู้วิญญาณคือสิ่งที่รับรู้รูป เรียกจากขุวิญญาณสิ่งที่รับรู้เสียงก็เรียกว่าโสตะวิญญาณยังมีห้าทางด้วยกันก็เปรียบเหมือนกับเราเอาเอาสายไปเสียบที่เครื่องเครื่องเครื่องขย้ายเครื่องเครื่องโทรศัพท์เนี่ยเสียบแล้วก็เอามาใสาห่หูเราก็จะได้ยินเสียงจากเครื่องโทรศัพท์ มีห้าสายด้วยกันที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายกับใจคือวิญญาณทั้งห้าพอพอตาไปเห็นภาพปั๊บมันก็ส่งไปที่ใจเลยพอใจเห็นใจก็รู้เลยว่า อ, อ๋อภาพนี้เป็นภาพอะไรถ้าไม่รู้ก็เป็นเพราะว่ายังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ถ้าภาพที่เคยเห็นแล้วก็จะจาได้ทันทีเห็นคนนี้ เคยเห็นคนนี้แล้วก็จำได้ว่าชื่อนั้นชื่อนี้ได้เห็นคนที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ต้องถามเขาว่าเป็นใครชื่ออะไรมาจากที่ไหนผู้ที่ถามผู้ที่คิดนี่ผู้ที่รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายใจที่ส่งวิญญาณทั้งห้านี้มาเชื่อมกับร่างกาย ตอนที่ตั้งท้องอยู่ในคันเนี่ยพอมิเริ่มมีตาใจมันก็ส่งวิญญาณมาที่ตาพอมีหูมันก็ส่งวิญญาณมาที่หูพอท่อนออกมามันก็เลยรับรู้รูปเสียงกลิน่นรสได้แล้วก็ใช้ร่างกายนี้พาใจไปทําอะไรต่างๆตามความอยากของใจที่ใจมาเกิดเพราะใจยังมีความอยากอยากอะไร ก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแนเ่เวลาได้เห็นได้ดูได้ฟังได้ดืม่มได้รับประทานแล้วใจก็มีความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขแบบยาเสพติดสุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้เสพพอเสพผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปความหิวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปดูใหม่ไปฟังใหม่ ไปเที่ยวอินเดียแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวที่อื่นต่อมันจะมีความอยากไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดความอยากมันก็จะพาเราไปเรื่อยๆพอร่างกายตายไปมันก็อยากไปหาร่างอยากไปได้ร่างกายอันใหม่มันก็จะไปเกิดใหม่นี่แหละคือการเวียนว่ายตายเกิดร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิด แต่ใจผู้ที่รู้ผู้คิดเนี่ยผู้ที่สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วตอนที่ยังไม่มีร่างกายตอนนั้นก็จะรับผลบุญผลบาปไปถ้าใจทาบุญใจก็เย็นสงบมีความสุขได้เสพรูปเสียงกลิ่นทิพย์ที่ที่ที่มีแต่ความสุขถ้าใจทำบาปก็จะเสพรูปเสียงกลิ่นรดที่ เป็นความทุกข์เช่นเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราฝันดีก็เหมือนกับเรากำลังไปสวรรค์กันเวลาเราฝันร้ายก็เหมือนกับเรากำลังไปรับผลบาปกันตอนนั้นตอนที่เรานอ น, น, อนเราไม่ต้องใช้ร่างกายเลยใช่ร่างกายนอนเฉยๆไม่ได้ใช่ตาหูจมูกวิ้งกายแต่ใจเราก็ยังเห็นได้ใช่เห็นนูน่นเห็นนี่เห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นเรื่องนั้นเห็นเรื่องนี้ เห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ถ้าเห็นสิ่งที่ดีทำให้มีความสุขก็เรียกว่าฝันดีเป็นสวรรค์เป็นผลจากการทำบุญทำความดีถ้าเราไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นเรื่องที่ทำให้เราหวาดกลัวตกอกตกใจหวาดเสียวอะไรต่างๆหรือทุกข์ทรมานใจก็เป็นผลจากการทำบาปของเราเนี่ย อย่าตอนที่เรานอนหลับนี่เราจะเห็นหนังตัวอย่างของนรกกับของสวรรค์เพราะเราจะเห็นเดียวเดียวเดี๋ยวเราก็ตื่นขึ้นมาละพอตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาสู่ที่ร่างกายนี้แต่เวลาที่ไม่มีร่างกายนี้มันจะฝันยาวเลยฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นถ้าเป็นบุญก็เป็นสวรรค์ไปถ้าเป็นบาปมันก็เป็นนรกไป เป็นอบายไปดวงวิญญาณนี้มันยังไม่มันยังสามารถสัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆได้โดยที่ไม่มีร่างกายที่เรียกว่าลูกทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเพราะใจนี้เป็นร่างทิพร่างทิพนี้ก็สามารถสัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสได้แต่เป็นลูกทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ ในเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราไม่ได้ใช้ร่างกายแต่เรายังฝันว่าเราไปกินนูน่นกินนี่ได้ไปเห็นหนูน่นเห็นนี่ได้ไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆได้นั่นแหะตอนนั้นเรากำลังเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กันถ้าไปเสพเรื่องที่ดีทำให้เรามีความสุขก็เรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นผลจากบุญที่เราทําถ้าเราไปเสพกับ เรื่องที่ทำให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจให้เราหวาดกลัวให้เราทรมานใจ<ม>ก็เรื่องก็เรื่องของนรกเรื่องของอบายที่เป็นผลของบาปที่เราทำอันนี้คือช่วงที่เรารอให้มามีร่างกายอันใหม่มเวลาเราตายปั<ม>๊บเราไม่ได้เกิดทันทีเราต้องรอไปหาร่างกายก่อนช่วงที่รอคิวนี้ก็ต้องไปรับ ก็เหมือนนอนหลับฝันไปฝันดีฝันฝันดีก็เป็นเรื่องของบุญฝันร้ายก็เป็นเรื่องของบาปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่เราถึงจะตื่นขึ้ น, นมานี่คือนี่คือเรื่องของตัวเราตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกาย ผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปในขณะที่ร่างกายนี้ตายไปเราเป็นผู้ที่กลับมาเกิดใหม่เวลาที่ได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของการที่เราต้องมาเกิดใหม่ต้นเหตุที่ทำให้เราทำบุญทำบาปก็คือความอยากต่างๆนี่ที่มีอยู่ในใจ จนการเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าชบบพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนพวกเราว่าการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเรานี้ อ, อยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ลาบยศสำรเสรินอยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มันก็เลยทําให้เรามาเกิดกันมามีร่างกายกันพอได้ร่างกายแล้วมันก็จะ ให้ร่างกายไปหาลูกเสียงกลิ่นรดกันไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้กันเมื่อพอร่างกายตายไปมันก็ไปรับผลของบุญของบาปที่ทำไว้แล้วก็ไปรอเอาร่างกายอันงใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาทาเป็นแบบนี้อีกถ้าเราไม่อยากจะทาแบบนี้ซ้าแล้วซ้าเล่ า, เ, ลาเราก็ต้องหยุดความอยากกันถ้าเราหยุดความอยากได้ ความอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากได้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ไปได้หมดเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่เพราะเวลาไม่มีความอยากนี้ใจเราอิ่มใจเราสบายมีความสุขทนะ่านเรียกว่าใจที่อิ่มที่สบายนี้ว่านิพพาน ใยที่มีความอิ่มมีความสุขปรมังสุขขังบรมมะสุขถ้ามีบรมมะสุขแล้วก็ไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญไม่หิวกับรูปเสียงลก่นรสต่างๆก็ไม่จาเป็นจะต้องกลับมาเกิดใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกท่านหยุดความอยากได้แล้วท่านตัดความอยากทั้งหมดได้แล้วจึงทำให้ใจของท่านอิ่มตลอดเวลาก็เลยไม่มีความ อยากจะมาเกิดมามีร่างกายเพราะไม่มีความอยากได้ลาบยศสันรเสรญไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นนสดนั่นก็มาสอนพวกเราว่าถ้าไม่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดก็มาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสีนสมาธิปัญญากันเพราะนี่เป็นวิธีที่จะทำลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจการรักษาศีนก็เป็นการห้ามความอยาก เช่นวันพระนี้ถือศีลแปดกันก็จะห้ามความอยากนอนกับแฟนห้ามนอนกับแฟนอยากนอนก็นอนไม่ได้อยากจะกินข้าวเย็นก็ไม่ให้กินเพราะกินมากเกินไปกินสองมื้อก็พอมื้อที่สานี่มันกินด้วยไข่แล้วเพื่อจะได้เอาเวลาหลังจเที่ยงวันมานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้ว่า เราต้องทำอะไรบ้างคือเราต้องกำจัดความอยากเราต้องฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากเพราะความอยากจะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราตัดความอยากได้ใจก็จะอิ่มจะพอใจก็จะเป็นนิพพานใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อันนี้เราจะรู้ได้แต่เมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้น เราไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้วิธีหยุดการวีนว่าตายเกิดได้หยุดความแก่ความเจ็บความตายได้การที่เราไม่ชอบการความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องไปหยุดที่ต้นเหตุของความแก่ความเจ็บความตายต้นเหตุของความแก่เจ็บตายก็คือการเกิดนี่เองถ้าเกิดแล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตายกันทุกคนถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วเราก็ต้องไปหยุดต้นเหตุของการเกิดต้นเหตุของการเกิดก็คือความอยากต่างๆนี่แล้วเราก็ต้องไปหยุดต้นเหตุของความอยากด้วยต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงคิดว่าทําตามความอยากแล้วมีความสุขควาจริงเราต้องดูว่าการทําตามความอยากจะทําให้เราไปหาความทุกข์กันเพราะจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ อันนี้เราไม่รู้เราจรึงต้องอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนเราเพื่อให้เราหายหลงให้รู้ว่าการทำตามความอยากจะพาเราไปสู่ความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้านี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนีว่าเกิดจากความอยากของเรา เราต้องหยุดมันให้ได้และวิธีที่จะทําให้มันหยุดได้ก็คือวิธีก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องศีลระดับศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี่ยังไม่พ อ, อยังศีลห้ายังหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ต้องใช้ศีลแปดพอาะศีลห้ายังไปนอนกับแฟนได้ยังทําตามความอยากได้ยังดูหนังได้ยังกินข้าวเย็นได้น้องนําทําเพลงได้ แต่ถ้าพอถือศีลแปดนี้ทําไม่ได้นะถือศีลแปดก็ต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวที่ให้ถือศีลแปดจะได้มีเวลามาฟังเทศมานั่งสมาธิกันถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันลนะยังไวันนี้ถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเย็นนี้ก็ชวนไปเที่ยวไปกินเลี้ยงก็ไปกันลนะชวนไปดูหนังฟังเพลงก็ไปกันลนะ แต่พอถือศีลแปดก็ไปไม่ได้ต้องมาอยู่วัดกันพออยู่วัดเราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกันให้เกิดปัญญาเราก็จะมีศีลสมาธิปัญญาพอเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะทาใจให้อิ่มเราก็จะกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกอีกต่อไปนี่คือประโยชน์นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาที่ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้จะสอนแบบนี้ไปศึกษาดูทุกศาสนาจะไม่มีไม่มีศาสนาสอ น, สอนให้เราหยุดความอยากกันมีแต่สอนให้ทำตามความอยากกันอยากได้อะไรก็ไปหามันเลยไปขอพระเจ้าจากพระเจ้าเลยเดีย๋ยวพระเจ้าก็จะประทานให้ ดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่ประเสริฐวิเศษของพวกเราเราได้มาพบกับเพชรอันยิ่งใหญ่เพชรอันประเสริฐคือพระรัตนาตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนที่จะบอกให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายที่จะสอนให้เราได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรคือบรมสุข ความสุขของพาณิชานอันนี้มีคุณค่าราคามากกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ยังดับความทุกข์ไม่ได้ดับหยุดความอยากไม่ได้มีเงินนี่หยุดความอยากไม่ได้กลับสนับสนุนความอยากใหญ่ยิ่งมีเงินยิ่งอยากซื้อนู่นซื้อนี่ยิ่ง อ, อยากใช้นู่นใช้นี่นใหญ่ ถ้ายิ่งทำตามความอยากก็ยิ่งพบกับเพิ่มกำลังของการเวียนว่ายตายเกิดให้มีกำลังมากขึ้นไปไม่ใช่น้อยลงไปถึงต้องเป็นคนยากจนยังจะดีกว่าคนที่มาเกิดยากจนเนี้ยเป็นคนที่โชคดีกว่าคนที่เกิดเป็นคนรวยเชื่อไหมถ้าอยากจะไปนิพพานเพราะถ้ารวยแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันเสียดายเงินมันติดกับเงิน แต่คนที่จนนี้ไปบวชได้เลยใช่ั้มไม่มีเงินสบายไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเรื่องทองไปบวชได้เลยดูกูบาอาจารย์เนี่ยลูกคนยากคนจนนั่นลูกชาวนาชาวไร่พ่อแม่ไม่มีเงินทองส่งไปเรียนหนังสือก็ส่งไปอยู่วัดหลวงปู่มั่นเนี่ยไปบวชใน้นตั้งแต่เด็กพ่อแม่เป็นชาวนาชาวไร่ไม่มีปัญญาส่งเสียให้ไปเรียนหนังสือก็เลยส่งไปเรียนที่วัดไปบวชเป็นสา ม, มเณร ถ้าอยากจะไปนิพพานต้องเกิดมาจนถึงจะดีกว่าเกิดว่ารวยถ้าเกิดมารวยแล้วไปยากเพราะมันจะติดกับเงินทองนอกจากคนที่สะสมบารมีมามากๆเหมือนพระพุทธเจ้าท่านะเหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอันนี้ท่านไม่ติดเงินติดทองสมัยที่ท่านเป็นพระเวสสังดอนนี่ท่านบริจาคหมดเลยมีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่เสียสละยินดีชอบทําบุญ ชอบทำทานแม้แต่ลูกใครมาขอก็ยังยกให้ดีเทวดามากันไว้ไม่งั้นจะมีคนมาขอมีเทวดามาป้องกันไว้ก่อนเพราะท่านมีศรัทธาท่านมีความสุขจากการทำบุญทำทานแต่ถ้าคนชอบใช้เงินใช้ทองนี้จะไม่ชอบทำบุญเสียาดายเงินเอาเงินมาเที่ยวดีกว่า เ อ, เอาเงินมาซื้อคอนโดดีกว่าเอาเงินมาซื้อเครื่องบินซื้อรถเบนท์ดีกว่าเอาเงินมาเที่ยวดีกว่าเรื่องอะไรมาทำบุญทำก็ทำพอหอมปากหอมคอนั่นแหละไม่ได้ทำแบบจริงจริงจังๆหรอพวงนี้ก็จะไม่มีวันที่จะไปบวชได้ไปปฏิบัติทําได้ไม่มีเวลาไปปฏิบัติเพราะจะเอาแต่เอาเวลามาใช้เงินใช้ทองมาเที่ยวมาเล่นมากินมาดื่มกัน งั้นถ้าถ้ามาจเกิดมาเจอพระพุทธศาสนานนี้ขอให้เกิดแล้วจนดีกว่าอย่าเกิดแล้วรวยรวยแล้วมันออกบวชลําบากถ้าจนแล้วนี้ออกบวชง่ายเพราะมันไม่มีทางไปคนจนนี้มันไม่รู้จะไปไหนมันบวช ด, ดีกว่าบวชนี้ไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมบวชแล้วก็อยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่าง มีเวลาปฏิบัติทําได้ตลอดเวลารักษาศีลได้ตลอดเวลาถ้าเกิดมาเป็นลูกคนรวยก็ต้องดูแลสมบัติของพ่อแม่ที่เขาให้มาอีกใช่ไหก็ไปบวชไม่ได้โอกาสอันดีที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ก็ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดังนั้น พอยพวกเราชั่งน้ําหนักระหว่างเงินทองกับเพชรของพระพุทธศาสนาว่าอันไหนมีคุณค่ากว่ากันมีเงินทองก็ให้เรามีความสุขในชาตินี้แต่ก็มีความทุกข์ด้วยความวิตกกังวลความห่วงใยต่างๆแล้วถ้าเงินทองหมดก็จะทุกได้แล้วก็ยังทําให้เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ ถ้าเราได้เพชรของพระพุทธศาสนาได้พระพุทธได้มีดวงตาเห็นธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันไหนจะดีกว่ากันไม่มีใครจะตัดสินใจให้กับเราได้เราต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองเลือกเอาเองจะจะเลือกไปทางของความอยากของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิน่นรส ก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นถ้าจะไปทางของพระพุทธเจ้าทางของพระอาหารหันตาสาวกทางของพระธรรมคำสอนก็ต้องไปในทางของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะพาเราไปสู่พระนิพพานไปสู่การยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครพาเราไปได้ไม่มีใครทำให้เราได้ เราต้องเป็นคนทําเองพระพุทธจเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นพระธรรมคาสอนพระอริยสงสาวกเป็นผู้ชี้ทางบอกทางว่าจะไปนิพพานไปอย่างไรเป็นเหมือนแผนที่แผนที่ไม่สามารถพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้เราต้องเดินไปเองเดินทางไปเองถึงจะไปถึงเพียงแต่ต้องมีแผนที่ถึงจะไปได้ถูกต้อง ถ้าไม่มีแผนที่ก็ไปผิดทางได้หลงทางได้ต้องมีแผนที่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยสอนคอยบอกคอยชี้แนะเวลาไปทางผิดท่านก็จะบอกว่าไม่ใช่ทางนี้เช่นไปอินเดียนี่ไม่น่านจว่าไปถูกว่ไปผิดสำหรับคนบางคนก็ถูกสำหรับคนบางคนก็ผิดเพราะว่ามันอยู่คนละขั้นกัน คนที่ไปอินเดียไม่ไม่ไปอินเดียแล้วถูกก็คือคนที่ยังไม่เชื่อยังไม่แน่ใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าถ้าไปอินเดียแล้วมันก็จะได้มีความแน่ใจว่ามีจริงว่ามีสถานที่ยืนยันแต่คนที่เชื่อแล้วคนที่กำลังภาวนาอยู่แล้วนี่ไปก็เสียเวลาเดินถอยหลังแทนที่จะเดินก้าวหนะ้าคนที่ภาวนาได้ปีกวิเวได้แล้ว คนที่ไปอยู่ในป่าในเขาได้แล้วอยากไปไปแล้วเหมือนกับเดินถอยหลังอย่างกูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ได้ไปกันทัพองใช่ไหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่เคยไปอินเดียหลวงตามหาบัวท่านก็ไม่ได้ไปอินเดียเพราะว่าท่านรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่อินเดียนั่นเป็นซากของที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคยอยู่กัน พระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ยังมีอยู่ในขณะนี้อยู่ในใจของเรารอเราอยู่รอให้เราเข้าไปหากันแต่เราไม่ไปหากันเราถูกความหลงหลอกให้เราไปทางข้างนอกกันไปดูซากของพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ไปดูสถานที่ที่มีพระพุทธพธรรมพระสงฆ์อยู่ท่านหนึ่งในอดีต <c oughs> เมื่อสองพันห้าร้อกว่าปีมาแล้วอันนี้เหมาะกับคนที่ไม่เชื่อไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริง ไปแล้วก็จะได้เชื่อว่ามีจริงข้างหนึ่งมีพระพุทธเจ้าประสูตุอยู่ที่ตรงนี้ตัดสั้อยู่ที่ตรงนี้แสดงธรรมที่ตรงนี้และตายที่ตรงนี้ก็ออจะทําให้เชื่อว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นของจริงไม่ได้เป็นของที่มีคนแต่งกันขึ้นมาเป็นเหมือนนิยายออแต่ถ้าพวกที่เชื่ออยู่แล้วพวกที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เพรมันไม่ได้ทำให้ความเชื่อนี้มีมากขึ้นไปอย่างไรกลับจะเอาเวลาเสียเอาเวลาที่เราจะปฏิบัติให้มันหลุดพ้นนี้ไปเสียมากกว่าเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเรามีความแน่ใจในคำสอนว่าต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อย่าไปให้เสียเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดีกว่าไปหาที่สงบดีกว่า ไปที่นู่นก็คนเป็นร้อยเป็นพันไปนั่งอยู่รอบเจดีนู่นอ่ะก็มั <c oughs> นจะไปสงบได้ยังไงเ อ, อมันต้องไปปีกเว้ยเ อ, อ้ต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เขาไปทุดงกันเนี่ยเขาไปทุดงในป่ากันไม่ใช่ไปทุดงที่อินเดียออทุออองดงในปา่าในเขาที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห่างไกลจากคนนั้นคนนี้เอ พออยู่ใกล้คนแล้วจิตมันเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วันคนก็วิภากวิจาร์คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ใจก็ไม่มีนั่งสมาธิก็ไม่มีวันจะสงบจะรวมได้ต้องไปอยู่ห่างไกลไปอยู่คนเดียวในป่านี่มันไม่มีเรื่องให้วิพากวิจาร์ไม่มีเรื่องให้คิดกันพออยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็อยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็รวมเข้าสู่สมาธิได้ แล้วมันก็จะเห็นอริยสัจสี่ขึ้นมาทันทีอ่านี่คือเรื่องของการไปอินเดียหรือไม่ไปอินเดียดีหลังต้องดูฐานะของเราเหมือนกับถ้าเราเรียนเราเรียนจบมหแล้วเราไม่กลับไปเรียนที่โรงเรียนมหแล้วเราต้องไปเรียนป ร, ริญญาต่อไม่ใช่กลับไปเริ่มต้นที่อนุบาลใหม่แต่ถ้าเรายังไม่ได้เข้าโรงเรียนนี่ต้องไปเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลก่อน ถ้าเราจบม6แล้วเราต้องไปต่อที่มหาหลัยแล้วต้องไปเรียนระดับปัญญาตรีโทเอกแล้วคือต้องไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่ใช่ยังจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่สังเวชนียสถานต่างๆอันนี้เป็นเหมือนกับกลับไปเรียนอนุบาลใหม่มันก็ไม่จบสักทีอันนี้ไม่ห้าไม่ว่ากใครไปก็ มันได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์แล้วแต่คนไปว่าฐานะอยู่ที่ตรงไหนาเป็นฐานะที่มันผ่านขั้นนี้ไปแล้วกลับไปอีกมันก็เหมือนกับไปเรียนซ้ำชั้นถ้าเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงแล้วก็ไม่ต้องไปสู้ไปปีกวิเวคหาที่สงบดีกว่าถ้าใจยังไม่สงบยังไม่มีสมาธิก็ไปหาที่สงบไปปีกวิเวกอย่าไปนั่งสมาธิ ตรงที่มีคนเป็นร้อยเป็นพันไปกันมันไม่สงบหรอก<ม>แต่ก็ไม่ว่าอะไรนะ<ม>ก็แล้วแต่เดี๋ยวจะหาว่าว่ากันพูดแบบสอนกันให้ให้รู้กันเผื่อคนที่ไม่มีเงินแต่อยากจะไปจะได้รู้ว่าไอ้ความจริงเราไม่ต้องไปก็ได้นี่หว่า<ม>ในเมื่อเราเชื่อว่าพระพูดพระธรรมพระสงฆ์มีจริงแล้วเราจะไปทำไมให้เสียเวลาเปล่า เอาเวลาไปปฏิบัติและไปเปีกวิเวกดีกว่าไปหาวัดที่สงบเงียบปฏิบัติจะดีกว่าเราจะได้ไม่ทุกข์กับการที่จะต้องไปอินเดียพราะคิดว่าถ้าไม่ได้ไปอินเดียเราจะไม่ไปไม่ถึงพนิพานก็ได้คนบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ว่าถ้าไม่ได้ไปอินเดียนี้ไปไปถึงนิพานไม่ได้ต้องไปอินเดียกันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ความคิดที่ถูกไปไปนิพานนี้จะไปอินเดียก็ได้ไม่ไปอินเดียก็ได้ ถ้าถ้าไปนิพพานต้องไปอินเดียอย่างนี้คนที่อินเดียมันก็ไปถึงนิพพานกันหมดแล้วใช่ไหมพวกแขกที่อยู่นั่นมันเห็นไม่เห็นมันไปถึงนิพพานกันเลยมันก็ไปขอทานไปรอพวกเราเนี่ยท่ไปขอทานเต็มไปหมดเลก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขออนุโมทนาให้พรจริงๆไม่ได้ตั้หนูไม่ได้มีความคิดว่าจะไปอินเดียหรือไม่ไปไม่ได้มีความว่าอยากจะไปอไม่เป็นไรหรอกไปก็ได้ไปไม่แต่ว่าพอดีน้องชายชวนค่ะอถ้าได้ไปเป็นเพื่อนกันเอก็เลยได้จ่ายตังค์ไปแล้วค่ะของเดินใครคนอื่นไปแทนก็ได้ ดไ้ทําเขาส่งอะไรชื่อจองตั๋วเ่อเรียบร้อยอาจาร้องชายชวนเขาไปเป็นเพื่อนกันค่ะน้องชายเขาอยากไปสวันให้เวลาไปก็ได้ไม่เสียหายอะไรจะเลยคิดว่าได้ไปเที่ยวสักรอบก็โอเคก็คิดว่าไปเที่ยวกันแล้วกันเนาะอย่าวิตกไงอาว่าอย่าคิดว่าเราว่าอะไรนะเก็พูดแสดง ด้วยเหตุด้วยผลนั่นเองจะไปก็ได้จะอยู่ก็ได้คือพูดให้บางทีคนบางคนไม่มีเงินไป แ, แต่อยากจะไปเพราะคิดว่าถ้าไม่ได้ไปแล้วจะไม่ได้บุญอะไรอย่างเงี้ยกเขาจะได้เข้าใจว่าถ้านั่งสมาธิที่บ้านได้ก็ได้บุญเหมือนกันไม่ต้องไปนั่งที่อินเดียหรอก นั่ที่บ้านจะสงบที่สุดค่ะก็ไม่ค่อยสงบเลยที่บ้านแต่คุณพ่อสบายดีเลยพ่อสบายดีค่ะวันนี้ไปไปวัดแถวบ้านเพราะว่าวันพระจะไปสวดมนต์วัดแถวบ้านค่ะไปทุกันพระเลยไปทุกวันพะแล้ก็ดีก็เลยไม่ได้มาด้วยกันค่ะเพราะเขาไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาอยู่ที่ไหนก็สวดได้ แต่เรายังต้องเลือกที่มาอยู่นะก็ยังเลือกที่มามาก็ได้บางอย่างที่ที่วัดนู่นไม่ได้ไม่ได้ฟังทำอย่างนี้หรอกใช่ไหมก็เหมือนกับไปเรียนหนังสือไปเรียนไปเรียนพิเศษจากสถานที่สอนพิเศษมันก็ต่างกันใช สถานที่สอนพิเศษบางแห่งเขาเาเก่งเขาสอนได้ดีทำให้คนเรียนเข้าใจง่ายจำได้บางแห่งสอนแล้วไม่เข้าใจก็เหมือนกันครูบาอาจารย์บางท่านก็แสดงทาได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนบางท่านก็แสดงไม่ชัดเจนแต่ไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันไม่ชัดเจนโอบายวิธีการสอนนี้มันทำให้คน เรียนรู้ได้ยากง่ายต่างกันอาจารย์บางคนที่สอนแล้วนักเรียนเรียนรู้ได้อย่างง่ายได้อาจารย์บางคนสอนแล้วฟังไม่ค่อยเข้าใจปวดหัวแทน <c oughs> แต่ก็สอนความจริงด้วยกันแต่การการแยกแยะ ก, การแสดงอะไรต่างๆให้เห็นด้วยให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนี้มัน มันมีทักษะมันมีความสามารถพิเศษของคนสอนคนถ้าไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจึงิงบรรลุ ก, กันง่ายไงเ mm hmm. พราะพระุทธเจ้านี้มีทักษะในการสั่งสอนมีอุบายมีการเปรียบเทียบอะไรต่างๆให้คนฟังนี่ฟังแล้วจะเห็นภาพอย่างชาัดเจนคนที่เป็นชาวนาะท่านก็จะเอาเรื่องของชาวนาะมาเปรียบเทียบให้ฟังปลูกข้าวปลูกอะไรคนที่เป็น นักธุรกิจท่านก็จะเอาเรื่องธุรกิจม า, มาพูดให้เขาฟังพลเขาจะได้เข้าใจคนที่เป็นหมอก็ต้องเอาเรื่องของหมอมาให้ฟังฟังแล้วก็จะเข้าใจง่ายขึ้นฉะั้นคนจึงนิยมฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากันฟังแล้วบรรลุธรรมกันง่ายแต่คนฟังก็ต้องมีความสามารถด้วยถ้าไม่มีความสามารถต่ให้อาจารย์เก่งขนาดไหน ก็ฟังไม่ฟังแล้วก็ทำไม่ได้มันต้องมีทั้งสองอย่างคนฟังก็มีมีศักยภาพที่จะทำตามคนสอนแต่ถ้าคนคนฟังไม่มีศักยภาพต่อให้คนสอนสอนเก่งไงก็ทำตามไม่ได้อันนี้มีเข้ามากี่กี่คนนะนน Facebook มีเฟซบุ๊กมีสามรอยยี่สิบกคนครับ Youtube มียี่สิบสองคนครับตอนนี้ขึ้นไปถึงสามสิบสองเลครับมีโทนี่เข้ามาหรอเนี่ไม่มาไม่มา Where are you โทนี่อย last week ่ะมีเฟซบุ๊กเนี YouTube มีคำถามไหมย t u b e ยังไม่มีคำถามครับแต่เฟซเฟซบุมีเข้ามาเอาเลยเข้ามาเลยครอันนี้มีใครจะถามด้วยกัครับอ่ะถามก่อนนะครับขอกรามถาม เราภาวนาพุทโธได้สักระยะหนึ่งเนี่ยอยู่ดีดีพุทโธมันหายไปเมันไม่ทราบว่ามันเกิดมันหายไปได้สองแบบหายไปเพราะเราขี้เกียจเราหยุดพุทโธไปหรือว่าหายไปเพราะจิตรวงสงบแล้วนิ่งสบายมีความสุขมันก็หายไปไม่ต้องพุทโธต่อไปหมายความว่าถ้าเกิดเป็นแบบที่สองคือเราก็ปล่อยเราก็นิ่งสงบไม่ต้องเรียกกลับมาถ้ามันสงบมันมีความสุขมัน มันมหัศจรรย์ใจเวลาจิตสงบนี่มันจะว่างจะโล่งจะเบาเหมือนยกภูกองภูเขาออกจากอกเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ต้องพุโทโธแล้วแต่ถ้าบางทีนั่งไปนั่งง่วงหรือมันเผลอสติพุโทโธหายไปแสดงว่ามันขี้เกียจแล้วก็ต้องดึงมันกลับขึ้นมาใหม่ถ้ายังไม่มีความรู้สึกอะไรที่แตกต่างจากจากการนั่งเลย ถ้าเกิดเป็นว่างนะเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรไหมคะก็ดูไม่นั่งสมาธิเพื่อรักษาความเรื่องรักษาให้ใจให้ว่าง <Okay. S 2> พอเราต้องการให้ใจหยุดคิด <Okay. S 2> เพราะเวลาคิดแล้วมันสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเราต้องการหัดอยู่แบบไม่มีอารมณ์ <Okay. S 2> อยู่กับความว่างมันสบาย <Okay. S 2> ใช่แล้วพอเราทาได้ต่อไปเวลาเราไปมีอารมณ์เราก็หยุดมันได้ ถ้าเวลามีอารมณ์เราก็เดินใจให้กลับมาสู่ความว่างได้เพราะเรารู้จักวิธีเข้าเข้าไปสู่ความว่างนั่นแหละความว่างมันเป็นที่ห ล, ลบหลบภัยหลบความร้อนความวุ่นวายใจต่างๆเวลาใจเราวุ่นวายแก้ปัญหาไม่ตกก็ไปอยู่ที่ความว่างดีกว่ามีการยางกระทาอีกไหม ห้องเยนถามค่ะถ้ า, ถ, าถ้าเราอยากทาสมาธิในขณะเคลื่อนไหวเราสามารถทําได้ทุกขณะถ้าเรามีกําลังที่จะหยุดความคิดได้แล้วก็ทําได้ทุกขณะทุกเวลาปล่ยอยให้ว่าง ใ, ใ, ใช่ใครรอบข้างจะจะเกิดขึ้นเราไม่สนใจเราดึงใจเข้าสู่ข้างในมันก็ที่กาลังที่จะดึงเข้าไปมันมีหรือเปล่าส่วนใหญ่มันจะไปติดอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา แต่ถ้าเราฝึกนึงใจเข้าไปในความว่างบ่อยๆเราต่อไปเราก็จะมีกําลังเราอยู่ที่ไหนวุ่นวายเราก็นึงเข้าไปข้างในได้เราก็พุทธัวพุทธัของเราไปไม่ไปสนใจกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวใจเราก็เหมือนเข้าเข้าไปในถ้ำบนเหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนอยู่นอกถ้ำบ น, นเหตุการณ์ตอนที่ทํางานนะคะมีรอบข้างประมาณห้าสิบคน ก็วุ่นวายแว่าเราต้อนั่งฝึกยงทำสมาธิออได้อาได้ทำได้ก็ดีส่วนใหญ่คนทำไม่ได้กนเนหีหรือไม่รู้วิธีทำหรือว่ารู้วิธีทำแต่ไม่มีกำลังที่จะดึงใจเข้าข้างในเพราะใจมันไปติดพันอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆข้างนอกก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกให้มีกำลังดึงใจเข้าข้างในการนั่งสมาธิเป็นการฝึก กำลังให้มีกาลังดึงใจเข้าข้างในสต <ừ. S 1> <ừ. S 2> ินี่เป็นตัวที่จะดึงใจให้เข้าข้างในแล้วต่อไปเวลาใจวุ่นวายใจร้อนก็ดึงมันเข้าไปข้างในใช่ไหมนั่นมันก็หายวุ่นวายหายร้อน แต่บางทีมันไม่ยอมว่างเช่เวลามันไปดีใจกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง น, นี้หนึ่งเข้าห้านามันไม่ยอมเข้าละมันจะคิดว่าจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีแทงที่จะเป็นความสุขใจมันกลับเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วมีเงินนีก็ต้องมาคิดแล้วจะเอาทํำยังไงดีไปเก็บไว้ที่ไหนดีจะหลบคนนั้นคนนี้ได้ยังไงดีเดี๋ยวจะมีคนมาหามาขอเงินกันเยอะแยะไปหมด ใครที่ทําใจให้ว่างได้เนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งคนงงคนมีความสามารถรักษาใจได้ไ ม, ดไม่ให้ใจร้อน <c oughs> ไม่ให้ใจวุ่นวาย <c oughs> พอร้อนปั๊บก็ดึงเข้าไปข <c oughs> ้างในความว่างก็เป็นเหมือนห้องปรับอากาศดีๆเนี่พอใจไปเจอเหตุการณ์ร้อนๆขึ้นมา <c oughs> ก็ดึงมันเข้าไปข้างในก็เย็นสบาย เหมนกันนะใส่เไปเลยอจะจะแยกมีแลกด้วยนะก็ไม่ต้องทําหนอกไปเอาคืนไปเถอะไม่เอาไม่ต้องหรอกยุ่งยากกว่าป่ะมันยากยากแยกมันแลกไม่ได้หรอกไม่มีหรือไม่มีหรอมันแลกไม่ได้หรอกเงินของคนอื่นก็เราไปแลกกันไง ไม่ต้องทำก็ได้มันยุ่งยากก็อย่าไปทำเลยไม่ต้องไปทำหรอกโคช ว, ว่าวาเนี่นามสกุลสําเด็กพระถังกลาลใช่ป่ ะ, ะเป็นญาติกันเนี่ย คนเม no ื like องการเนี่ยยากกันนะจำได้ว่าสังกรลลาก็ชื่อเจริญคัจฉวัตเนี่ยมามาอาการหัวใจมันเต้นแรงอย่างเนี้ย <mitad> ค่ะเราเราก็บริการพุดโท้พูดโท้ขอโทคะ แล้วอาการตืดเต้นมันจะหายไปแต่ว่าทำไมพ่อแม่เจ้ายังหลอกมันยังเป็นอยู่ค่ะอ่ามันเป็นก็ต้องพูดโทรไปเรื่อยๆไงถ้ามันหยุดพูดโทรมันก็เป็นใหม่ได้มันไม่ได้แก้แบบถาวรเป็นบ่อยอ่าเป็นบ่อยก็ต้องพูดโทบ่อยมันปวดหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดพอเป็นนีกก็ต้องกินอีกอค่ะค ก็จะให้มันหายเต้นอย่างเท้าวังก็ต้องใช้ปัญญาก็เท้ามาเต้นเพราะอะไรตื่นเต้นกับเรื่องอะไรตื่นเต้นกับเรื่องอะไรก็ตัดมันไปอย่าไปยึดไปติดมันมันก็หายตื่นเต้นมันเป็นเหมือนอัตโนมัติยิ่งมันมีเหตุไงมันจะอัตโนมัติมันก็ต้องมีเหตุมันต้องไปเห็นอะไรมันเนี้ยตื่นเต้นใช่ไหมมันเป็นสัญญาเก่าหรือเปล่าคะก็ได้คิดถึงเรื่องเก่ามันก็ตื่นเต้นขึ้นมาได้ เห็นรูปไปเห็นเสียงได้ยินเสียงใหม่มันก็ตื่นเต้นขึ้นมาได้เราอยากจะให้มันไม่ตื่นเต้นก็ต้องสอนใจให้ปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆอย่าไปลักไปชังแล้วมันต่อไปมันก็ไม่จะไม่ลักชังก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็ห้ามมันไม่ได้มันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้ต่อไปเราก็ไม่ตื่นเต้นกับอะไร ว่ามา f a c e b o o k คำถามจากคุณหนึ่งพระอาจารย์ครับเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราควรพบหมอเพื่อรักษากายหรือปฏิบัติธรรมพิจารณากายโดยไม่ต้องพบหมอรักษากายใดๆทั้งสิ้นผมกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพื่อคนทุกข์ต่อไปครับคือมันก็ได้ทั้งสองอย่างคือเราต้องรักษาทั้งสองส่วนถ้ารักษาได้ ถ้าร่างกายรักษาได้ก็ไปหาหมอไปหายาในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายก็ต้องสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายเกิดแล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าโรคภัยแค่เจ็บมันไม่หายก็ก็ปล่อยมันไปรักษาไม่ได้มันจะไม่หายก็ก็ให้มันไม่หายไปอย่าไปอยากให้มันหาย หรือถ้ามันจะต้องตายก็ให้มันตายไปคือเราทำทั้งสองส่วนไงส่วนร่างกายเราก็ทำไปอยาประอยากให้มันถ้าว่ามาผีกลับมาหาไงคือแต่ถ้าต้องเลือกระหว่างรักษาร่างกายกับรักษาใจก็เอาใจถ้ายังเลือกทั้งสองอย่างได้ก็รักษาไปทั้งสองส่วนร่างกายยังรักษาได้ก็รักษาไป เราต้องถือการรักษาใจเป็นเป็นหลักก็จะต้องไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายไม่ว่ามันจะหายหรือไม่หายมันจะตายหรือไม่ตายใจต้องรับได้ถ้ารับได้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจจะหายทุกข์อันมันแล้วแต่คนคนบางคนก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายกับการรักษาร่างกายปล่อยวางได้พอรักษาไงเดี๋ยวมันก็เป็นอีก อะไรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะหายก็หายมัไม่หายก็มันจะตายก็ให้มันตายไปอย่างพระอาจารย์ต่างๆพระป่า น, นี่ท่านไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลกันท่านก็รักษากันไปตามมีตามเกิดมียาสมุนไพรมีอะไรก็รักษากันไปไอเรื่องที่จะให้ไปผ่าไปตัดนี่ท่านไม่ค่อยทํารอกท่านรักษาพอพอที่จะรักษาได้ แต่ท่านรักษาใจคือใจท่านจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายอันนี้สําคัญกว่าอย่าไปมัวแต่รักษาร่างกายจนกระทั่งใจวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวนกวังวลกระสับกระส่ายเกรียงไปกับเรื่องของร่างกายอันนี้ผิดทางใจต้องสงบแล้วก็ร่างกายจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ คำถามจากคุณเหมาการขายกรงดักหนูเป็นการส่งเสริมการฆ่าใช่ไหมครับถ้าเป็นกรงที่ไม่ไม่ฆ่าก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ส่งเสริมกรงที่จับมันให้มันอยู่ในกรงไม่ใช่แบบที่มีไอ้ไออะไรตัวที่ตัดคอมันอย่างเงี้ยพอมันไปแตะเหยื่อปับ๊บมันก็ตัดคอเลยอย่างเงี้ยถ้าของที่ทําให้มันตายนี่ก็เป็นของที่ไม่ควรที่จะทํา ไม่ควรที่จะค้าขายถือว่าเป็นสัตว์ราวุธเป็นอาวุธที่จะทำให้ผู้อื่นเสียเสียชีวิตได้ก็ไม่ควรที่จะค้าขายสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเป็นกรงที่จับให้มันขังอยู่ข้างในแล้วเราก็จับมันไปปล่อยที่อื่นต่อไปอย่างนี้ก็ขายได้คำถามจากเฟซบุ๊กครับจากคุณด e ลลี่นะครับในหนังสือธรรมะในศาลามีบทหนึ่ง ที่ผมสงสัยครับในหนังสือบอกว่าพบชาติที่ผ่านมานั้นใครชอบทำอะไรเกิดมาชาตินี้เลยต้องทำอย่างนั้นเพราะมันติดเป็นนิสัยเคยชอบเรียนหนังสือกลับมาชาตินี้ก็เรียนต่อได้เลยชอบกินเหล้ากลับมาชาติชาตินี้ก็กินต่อได้เลยเพราะมันเป็นนิสัยตั้งแต่พบชาติที่ผ่านมาแล้วแบบนี้คนที่มีนิสัยชอบกินเหล้าชอบเที่ยวชอบประเวณีจะสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยได้ไหม จะมีโอกาสที่จะได้รับการขัดเก่าจิตใจอย่างคนที่มีธรรมในใจไหมครับหรือจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมาทําแต่สิ่งไม่ดีแบบนี้ไปตลอดการครับก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่เรามาเกิดเนี่ยถ้าเรามาเกิดในครอบครัวที่ไม่กินเหล้าไม่เสพประบายยามุขเขาก็จะสอนเราห้ามเราไม่ให้ไปทำ ถึงแม้เราอยากจะทำถ้าเราเป็นเด็กๆเราก็ทำไม่ได้เราก็ก็ยังมีคนมาคอยสอนให้เราเปลี่ยนนิสยัยแต่ไม่ก็อยู่ที่เราเองว่าเรายอมเปลี่ยนหรือเปล่าบางคนก็ยอมเปลี่ยนตอนที่เป็นเด็กตอนที่พ่อแม่ยังอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่สอนไม่ให้ดื่มก็ไม่ดื่มเพราะที่บ้านไม่มีใครดื่มกันแต่พอแยกทางไปเป็นตัวของตัวเองเป็นมีครอบครัวก็อาจจะกลับมาดื่มใหม่ก็ได้ จะเปลี่ยนได้ก็ต้องเห็นว่าการดื่มนี้เป็นโทษเป็นการเดินทางผิดก็จะฝืนใจบังคับใจห้ามใจไม่ดื่มต่อไปมันก็เลิกดื่มได้ถ้าเรารู้ว่าการกระทำอะไรที่มันไม่ดีเป็นโทษกับเราเราก็พยายามเลิกมันมันไม่ง่ายหรอกมันเพราะว่ามันเป็นนิสัยแต่พอเรารู้ว่ามันไม่ดีทำแล้วมันจะทำให้เกิดความเสียหายกับเราทุกครั้งที่เราอยากจะทำเราก็พยายามฝืนมัน อย่าไปทำตามเลยแล้วต่อไปมันก็จะหยุดทาได้ทุกครั้งที่อยากจะทำแล้วไม่ทำต่อไปความอยากจะทำมันก็จะเบาลงไปแล้วมันก็หายเหมือนคนที่อยากจะเลิกบุหรี่ก็เลิกได้เลิกกินเหล้า ก, ก็เลิกได้ถ้ามีความพยายามที่จะฝืนมันฝืนความอยากเานั้นทุกอย่างเปลี่ยนได้นิสัยนี้เปลี่ยนได้แต่ต้องใช้ความพยายามมากถึงจะเปลี่ยนได้ มันไม่ได้เปลี่ยนแบบง่ายๆอ้าววันนี้มีอะไรว่าเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวเสียงปิดกันให้หมดนะคำถามต่อไปจากคุณสุวัฒนานะครับเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิแล้วแวะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ควรทำอย่างไรดีครับก็แสดงว่าสติเรามีกำลังน้อยนั่นเอง ก็ต้องดึงกลับเข้ามาที่สวดสวดให้ช้าลงก็ได้สวดแบบมีสติคอย่าสวดแบบใจลอยสวยดไปสวดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคัเขาให้มันสวดทุกคำพูดเลยอะณนะโมตัสสะพักกะวะโตเนี่ยไปอย่างนี้เลยถ้ามันสวดเดียวแล้วมันลอยเป็นไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ลองเอามันช้าๆเลยเอาทีละคาเลยณนะโมตัส พระกวะโตอาลาหะโตให้มันอยู่กับบทสวดไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดึงกลับมาได้หรือถ้าพุโทโธก็พุโทโธพุโทโธไม่ใช่พุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็ต้องมีการปรับวิธีดึงใจให้กลับมาให้อยู่กับการสวดด้วยกับกรรมบริกรรมให้ได้คำถามต่อไปจากคุณเมทีนี้นะครับ พ่อแม่ของลูกเสียชีวิตหมดแล้วเวลาที่ลูกได้ไปทําบุญที่วัดและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วสังเกตว่าพอลูกนอนหลับก็จะฝันถึงแม่เห็นท่านมาหาภาพที่เห็นก็เหมือนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หน้าท่านดูสดใสไม่เหมือนเมื่อตอนที่ท่านป่วยอย่างนี้แสดงว่าท่านได้รับบุญกุศลที่อุทิศให้ใช่หรือไม่เจ้าคะส่วนพ่อของลูกกลับไม่เห็นในฝัน หมายถึงว่าท่านไปเกิดแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะไม่แน่เสมอไปหรอกเพราะมันอาจจะเป็นความคิดของเราเองก็ได้ถ้าเป็นความจริงเราต้องคุยกันได้เช่นทําบุญแล้วแม่มาบอกว่าขอบใจนะลูกที่ส่งนู่นส่งนี่มาให้อ่าว่านุโมทนาอะท่านอย่างนี้ก็เป็นของจริงแต่ถ้าเป็นแบบที่เราฝันไปคิดไปเป็นมันก็อาจจะเป็นความคิดความฝันของเราไป แต่ก็ไม่สําคัญหรอกสาคัญขอให้เราได้ทำเท่านั้นเองเราทาหน้าที่ของเราทําส่วนของเราส่วนผู้รับเขาจะรับไม่รับนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปเพราะบางทีเขาอยู่ในฐานะที่ดีกว่าไม่ต้องมารอรับส่วนบุญเขาก็ไม่มาแต่ถ้าเขาทราบเขาอาจจะโนโมทนาว่าเออเขายังคิดถึงเราอยู่นะยังเป็นห่วงเราเขาก็อาจจะโนโมทนาดีใจไปกับความเมตตาของเราก็ได้ แต่เราไม่ถ้าเราไม่มียานอย่างทราบเราไม่มีวิธีที่จะติดต่อกับดวงวิญญาณก็อย่าไปกังวลเลยขอให้เรา ม, มีหน้าที่ทําก็ทําไปก็แล้วกันครับ ท, ทต่อไปจากคุณประกอบนะครับการกราบไหว้ด้วยความนับถือบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพและปฏิบัติธรรมรักษาศีลตามแบบของคารวะแต่ไม่ยึดถือเอาพระพุทธรูปไม่กราบไหว้บูชา ลูกเป็นรูปปั้นเหล่านั้นมาเป็นสารณะละลึกเฉพาะแต่นามของพระองค์ว่าพุทธังสารนางขจามิตรจะผิดหรือบาปหรือไม่ครับจะผิดหรือจะผิดจะบาปหรือไม่ครับคือไม่ผิดหลักธรรมหรอกเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปแต่อยู่ที่คุณธรรมของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ที่เรากาบนี่เรากาบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ แต่ จ, จะผิดประเพณีเพราะสมัยนี้ประเพณีของชาวพุทธเราก็มีความเคารพพระพุทธรูปมากงั้นถ้าเราไปวัดไปที่มีคนเขากล่าบกันเราก็ควรจะกล่าบกันเพื่อไม่ให้เสียประเพณีไม่ให้เสียมารยาทเท่านั้นเองแต่เราไม่กล่าวก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะทำให้คนที่เขากลาบหรือคนเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเรา มีความเคารพหรือไม่เพรนั้นถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีการกราบเป็นประเพณีที่ควรจะกราบแล้วก็กราบไปได้ไม่เสียหายตรงไหนครูบาอาจารย์ท่านก็กราบพระพุทธรูปทุกครั้งที่ท่านมาที่ศาลาแต่ท่านก็ไม่ได้กราบพระพุทธรูปท่านกราบพระพุทธเจา้า พ, พระธรรมคุณพระสังฆคุณคําถามต่อไปจากคุณวรินการนะครับ ถ้าเราต้องการเกิดเจอพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติที่เกิดจนกว่าจะพ้นทุกข์จะอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทําบุญทุกอย่างจะสมความปรารถนาหรือไม่ครับมันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกคือความอยากของเรากับความจริงมันไม่ตรงกันเพราะหนึ่งพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีทุกภพทุกชาติพระพุทธศาสนานี้ก็มีอายุแค่ห้าพันปี คราวหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะอีกหลายปีอีกร้อยร้ยหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายพันปีก็ได้หรือไปเกิดในตรงประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้เช่นไปเกิดที่ที่ประเทศที่เขาไม่มีศาสนาพุทธกันมันก็ไม่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอกันได้ยันอย่าไปอธิษฐานแบบนี้ดีกว่าอธิษฐานว่าขอให้เอาประโยชน์จากพระพุทธศาสนาในชาตินี้ดีกว่า ให้สำเร็จประโยชน์ให้ได้เพราะว่าเราได้พระพุทธศาสนาแล้วเรายังก็จะไปกังวลทําไมกับเรื่องข้างหน้าถ้าเราเอาพระพุทธศาสนามาทําประโยชน์มันก็เสร็จประโยชน์ได้ในชาตินี้เลยมันก็เลยไม่ต้องมากังวลกับชาติหน้าว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาหรือไม่มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วกลับไม่ตักตวงประโยชน์ตักตวงประโยชน์ก็เพียงนิดเดียวแค่ทําบุญอย่างเดียว ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติทําให้ฟังเทศฟังธรรมไม่บวชกันอย่างนี้ต่อให้เกิดพบเจอพระศาสนาอีกร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่มันก็ไปไม่ถึงอะเจอทีไรมันก็ขอแค่ทําบุญแล้วก็ขออธิษฐานว่าให้ได้เจอพระพุทธศาสนาไปเรื่อยเจอคราวนี้ก็ทุ่มมันไปสุดชีวิตเลยสิมีเงินที่น่าตาักเท่าไหร่ก็ใส่มันเข้าไปเลยให้มันรู้แล้วรรอดไปเลยถ้าแทงหวยก็มีเงินเท่าไหร่มั่นใจว่าถูกแน่ มีเงินก็ขายมีบ้านก็ขายบ้านเอาเงินมาททงหวยให้มันหมดเนื้อหมดตัวไปเลยคนที่เขาออกบวชเขาทำอย่างนั้นใช่ไหมเขาสละบ้านสละช่องละทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็ได้รางวัลได้หลุดพ้นได้บรรลุถึงพระนิพพานกันในชาตินี้เลยเขาก็ไม่ต้องมากังวลต้องมาที่ฐานว่าชาติหน้าจะได้เจอหรือไม่ได้เจอเพราะอนาคตไม่มีอะไรแน่นอน เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้จะมีพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ไม่รู้มันมีตัวแปรเยอะแยะไปหมดแต่ตัวที่ไม่แปรตัวที่แน่นอนเดี๋ยวนี้มีอยู่กับไม่เอากันพระพุทธศาสนาได้เจอแล้วสามารถทําให้เราบรรลุธรรมได้ในชาตินี้แล้วทําไมเราไม่ทํากันมากลับมานั่งอธิษฐานขอให้ได้เจอพระพุทธศาสนาทุกชาตินี่ก็คือเรื่องของกิเลสมันหลอกเรา มันไม่อยากให้เราปฏิบัติมันไม่อยากให้เราฆ่ากิเลสกิเลสมันอยากจะหลอกให้เร า, เาไปกับมันเรื่อยๆาำถามต่อไปจากคุณประวิทย์ครับลูกชายอายุหกขวบผมจะเริ่มต้นให้เข้าธรรมมัด้วยวิธีใดก่อนครับตอนนี้เริ่มสวดมนต์ก่อนนอนแล้วครับก็พาเข้าวัดบ่อยๆพาเข้าวัดทุกวันพระวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็พาลูกเข้าไปทาบุญตัวเราก็ทาบุญ ครอบครัวเราก็ทำบุญมันต้องฝึกด้วยการกระทำพูดอย่างเดียวไม่ได้พูดแล้วตัวเองไม่ทำเหมือนแม่ปู่สอนลูกปูอย่างนี้สอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่เองก็เดินเฉยไปเฉมาสอนให้ลูกเข้าวัดทำบุญอะไรแต่พ่อก็ไปนั่งเดืมเหล้าไปนั่งดูฟุตบอลนะไปเที่ยวตางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างนี้ก็มันเด็กมันก็ไม่ทำตาม เด็กมันทำตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินอะไรมันก็กินตามผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่พูดอะไรมันก็พูดตามผู้ใหญ่ภาษามันได้มาจากใครภาษามันก็ได้จากพ่อแม่ใช่ไหมอาหารการกินที่มันกินอย่างนี้มันได้มาจากใครมันก็ได้มาจากพ่อแม่เั็นศาสนามันได้มาจากใครมันก็ได้มาจากพ่อแม่ทีจะศาสนาเข่งไม่เข่งก็อยู่ที่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่เข่งลูกก็เข่งตามถ้าพ่อแม่ไม่เข่งลูกก็ไม่เข่ง ถล้าพอแม่ไม่ไปวัดลูกก็ไม่ไปวัดคำถามต่อไปจากคุณวรพัฒครับระดับเทวดาระดับคมหรือระดับสกิทาคามีสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมครับทุกระดับ ถ, ถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องมันก็จะไปถึง ไ, ได้ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไปไม่ได้เหมือนเนี้นปริญญาเนี่ยคน อยู่ชั้นประถมก็จะเรียนก็ไปเรียนถึงชั้นปริญญาได้อยู่ชั้นมัธยมก็ไปถึงชั้นปริญญาได้ถ้ามีการเรียนอย่างต่อเนื่องเรียนอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเรียนไปถึงขั้นของตนที่ต้องการจะไปอยากจะเรียนขั้นปริญญาก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปถ้าอยู่มัธยมก็ไล่ขึ้นไปถึงมัธยม6แล้วก็ไปสอบเอ็นพอเอ็นได้ก็ไปเรียนต่อเดี๋ยวก็จบเอง จะเป็นเทวดาเป็นพรมหรือเป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นไหนก็เหมือนกันยังต้องปฏิบัติต่อถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานก็ต้องปฏิบัตบญญิไปเรื่อยๆต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปถึงขั้นสูงสุดได้เองคำถามต่อไปจากคุณแชชเชียงครับผมถูกเพื่อนและอาจารย์ตนเองโกงและใส่ร้ายเพื่อให้ได้บ้าน และทรัพย์สินมาร่วมสิบปีปัจจุบันก็ยังทําอยู่เขามีเส้นสายและเงินทองถึงมีหลักฐานก็ไม่สามารถเอาผิดหรือหยุดเขาทั้งสองได้อันนี้เป็นกรรมเก่าที่ผมต้องรับหรือเป็นกรรมใหม่ที่พวกเขาเกาะครับเจอเก่าหรือใหม่ก็ไม่ต้องไปสนใจให้สนใจวิธีปฏิบัติกับเขากันแล้วกันก็คือเราต้องปล่อยวางเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําอะไรเราห้ามเขาไม่ได้ เราต้องรักษาใจของเราอย่าไปทุกข์กับการกระทําของเขาเท่งนั้นก็พอเขาจะทําอะไรถ้าเราหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ต้องทําใจให้เขาโกงไปถือว่ายังงตายไปก็าไปไม่ได้อยู่ดีไม่มีใครเอาไปได้สักคนเห็นของต่างๆถ้าเราไม่ยึดไม่ติดแล้วเราจะไม่เสียดายเราจะไม่เสียใจเวลาใครมาแย่ง ม, งมากงเราไปเรากลับดีใจที่ดีจะได้ไม่มี ไม่มีสมบัติจะได้ไปบวชได้ถ้ามีสมบัติมันก็ยังติดอยู่กับสมบัติอยูน่นถ้ามองโลกในแง่ดีมันก็ดีถ้ารู้จักมองในโลกในแง่ดีมันก็เอาวิกฤตมาเป็นโอกาสได้ถ้ามีสมบัติมันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องคอยเฝ้าสมบัติแต่ถ้าถูกโกงหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรที่จะต้องเหนี่ยวร่างเราอยู่ต่อไปก็ไปบวชเลยดีกว่าคําถามต่อไปจากคุณนิภาพรครับ ทำบุญระหว่างคนเป็นกับคนตายอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันคะหมายถึงไงก็คนตายเราทำบุญล้วอุทิศไปใช่ไหมมันอยู่ที่เงินที่เราทำเราทำร้อยบาทกับคนเป็นื่อคนตายเราก็ได้เท่ากันมันอยู่ที่จำนวนเงินที่เราเสียสละไปไม่ได้อยู่ที่คนรับก็นยายนะคนรับจะเป็นคนเป็นหรือคนตายนี่ไม่เกี่ยวกัน เก่ยวที่เงินของเราเราสละได้มากเราก็ได้บุญมากสละได้น้อยก็ได้บุญน้อยคําถามต่อไปจากคุณจิรายุครับตัวกระผมยังเกี่ยวข้องกับทางโลกและการทํามาหากินแต่ในจิตใจลึกๆแล้วรู้สึกถึงความวุ่นวายในจิตใต้สํานึกก็ต้องการหลุดจากวัฏตะนี้มากมีโอกาสก็ไม่เคยปล่อยใจให้ว่างจากภาวนา ตามที่พระ อ, อาจารย์สอนครับตอนนี้รู้ข้อบุกคลองของตัวเองคือขาดกำลังสมาธิที่มากพอที่พิจารณาตัดกิเลสเลยอยากเรียนถามพระ อ, อาจารย์ครับว่าการเพิ่มพลังสมาธิทำแบบไหนบ้างครับสำหรับผมที่ยังเกี่ยวข้องกับทางโลกอยู่ก็ต้องเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆพุโทโธพุโทโธไป ถ้าจะคิดจะคิดกับเรื่องที่จำเป็นต้องคิดจริงๆเช่นเวลาทำงานต้องใช้ความคิดก็ให้อยู่กับความคิดของการทำงานเพียงอย่างเดียวแต่ห้ามไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้อคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้หยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปปีกเว พราเวลาอยู่กับคนอยู่กับงานมันก็ทําให้ใจเราคิดวุ่นไปหมดแล้วความคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันมันก็จะแทรกเข้ามาได้เราก็ต้องหาวิธีไปปีกวิเวกเช่นวันหยุดเราก็ไปหาที่สงบไปภาวนาไปอยู่คนเดียวไปฝึกสติไปฝึกนั่งสมาธิกันถ้าอยู่ที่สงบวิเวกมันไม่เหมือนขับรถนะ่ะขับรถบนทางโดวนที่มีรถคันเดียวนี่เราเหยียบเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหม แต่ถ้าขับรถที่อยู่ใต้ทางดวนนี้รถก็เยอะทางทางแยกก็เยอะไฟแดงก็เยอะมันก็ไปไม่ได้เร็วยิ่งถ้าเราอยากจะไปเร็วทางปฏิบัติธรรมเราต้องไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกแล้วเราจะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องแล้วนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วได้นานคนถึงนิยมกันไปปีกวิเวกกันสําหรับคนที่ปฏิบัติธรรม คำถามต่อไปจากคุณพิมสุพัสสอนครับเวลาคนตายแล้วไม่มีพิธีสวดศพได้ไหมเจ้าคะแล้วเขาสวดอภิธรรมจุดประสงค์จริงคืออะไรเจ้าคะก็จุดประสงค์ก็คือเขาเขาเชื่อกันมาอย่างนั้นการยังไม่มีจุดประสงค์อะไรหรอกคนตายแล้วก็เรื่องของคนตายคนเป็นก็ทำหน้าที่ชาปนากิจร้อเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันก็เน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็น ก็เลยต้องเอาไปเผาเอาไปฝังให้มันจบปัญหาไปเขาก็เลยหาหาเรื่องให้มันสนุกขึ้นมาว่าเอาพระมาสวดบ้างจะได้แขังขึ้นการจริงสวดนี่ก็ไม่ได้สวดให้คนตายสวดให้คนเป็นแต่คนเป็นก็คิดว่าสวดให้คนตายก็เลยไม่ฟังฟังก็ไม่เข้าใจเพราะสวดอีกคนละภาษาอีกนสวดภาษาแขก คนฟังเป็นคนไทยฟังก็ไม่รู้เรื่องกุศลธรรมะมกุศลธรรมะไม่รู้สวดอะไรกันมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงแต่มันก็เป็นธรรมเนียมว่าในใน่า จ, จะตายแล้วก็ต้องให้ตายอย่างมีเกียรติหน่อยเผาอย่างมีเกียรติหน่อยก็ต้องจัดงานกันหน่อยอะไรบางคนก็ถึงกับเอามหอรศ บ, บันเทิงมาบางคนก็แต่งเมรให้สวยงามแต่งเพื่อใหาเผา ต่างเมนเป็นราคาเป็นแสนแลเดี๋ยวก็จุดไฟเผาทิ้งไปเพื่อเป็นเกียรติให้กับคนตายมันก็เป็นเรื่องความนิยมของทางโลกเขาไปแต่เรื่องของงานศพจริงๆก็คือการกำจัดศพนี้ท่านเองจะเอาไปฝังก็ได้เอาไปเผาก็ได้จะเอาไปดองก็ได้แล้วแต่ก็ทำได้มันไม่มีความแตกต่างกันหรอกบุญกุศลไม่ได้เกิดกับคนตายแล้วคนตายนี่ย่ต้อง จะมีบุญมีกุศลก็ตอนที่เป็นเนี่ยตอนที่เราอยู่กันเนี่ยทำไปเถิดบุญกุศลรีบทำกันตอนตายแล้วทำไม่ได้คนอื่นก็มาทำให้เราไม่ได้จัดงานศพให้เรามีมหอราพมีสมโพธิเจ็ดวันเจ็ดคืนมันก็ไม่มีะบุญกุศลกับคนตายแต่อย่างใดครับถาต่อไปจากคุณดูสิตาครับถ้าเราป่วยไม่สบายไม่สามารถลุกขึ้นมาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิได้ เราใช้วิธีนอนแล้วหลับตากําหนดสมาธิได้หรือไม่คะถ้าไม่หลับก็ได้ถ้าหลับก็ไม่ได้ถ้านอนบางทีมันง่ายต่อการหลับท่านเองแต่ก็ยังดีถ้าหลับได้ก็ยังดีกว่นอนแล้วตื่นแล้วฟุง้งซ่านมันก็ถือว่ามันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่คนที่ภาวนาได้ยเวลาไม่สบายก็ภาวนาไปพอร่างกายเหนื่อยหรือสติอ่อนก็หลับไปก็ไม่เป็นไร ฉันให้รีบทำตอนที่ยังไม่ไม่ไม่เป็นอะไรจะดีกว่าตอนนี้ตอนที่ไม่เป็นอะไรสบายก็กลับไปเที่ยวไปเล่นกันไปอินเดียกันไปนู่นมานี่กันพอไม่สบายแล้วก็จะมาภาวนาโอ้ภาวนาตอนที่มันสบายสิมันจะได้ผลได้ได้ประโยชน์มากกว่าคำถามต่อไปจะคุณตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะครับการแผ่บุญ การแผ่บุญกุศลหรือแผ่ตอนที่จิตสงบได้ใหม่ขอรับส่งกระแสจิตน้อมไปหาแต่กระผมไม่ค่อยรู้ภาษาบาลีขอรับแต่กระผมลำลึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางทีก็หลังจากทําสมาธิเสร็จแล้วค่อยแผ่บุญกุศลแบบไหนถึงจะถูกต้องขอรับขนาดที่ขนาดจิตที่นิ่งแล้วแผ่กุศลกับจบจากสมาธิแผ่กุศลขอทราบขอรับ ก็คือเท่าที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นมาส่วนใหญ่ก็จะอุทิศบุญจากการทําทานกันเช่นเราทําทานเสร็จแล้วเราก็อุทิศบุญที่เกิดจากการทําทานแต่บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่มันไม่รู้มีหรือไม่มีก็ไม่รู้เพราะจิตเราสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่รู้เราอาจจะคิดว่ามันสงบแต่มันอาจจะไม่สงบก็ได้เฉั้นมันมันมัน มันไม่รู้ว่าแผ่ได้หรือปะจากการที่เรานั่งสมาธิกันแต่อยากจะแผ่ก็แผ่ไปไม่ห้ามแต่จะไปถึงคนรับหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ที่เขาทำแล้วแน่นอนได้แน่ได้อย่างแน่นอนก็คือเวลาทำบุญก็วกวดน้ำไปอุทิศบุญไปเพราะบุญเราทำปั๊บจิตใจเราก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเราก็แบ่งความสุขนั้นให้แก่ผู้ที่ตายไปได้ บุญที่จะเกิดจากการนั่งสมาธิบางที่นั่งไปต้องนานยังไม่สงบก็มีเราจะมาเอาอะไรไปแผ่นีมันก็อุทิตไม่ได้ยิงถ้าจะอยากจะอุทิตจริงๆเสียเงินทั้งหน่อยแตะอย่ามาโขงเงินเลยจะมาแผ่แบบนั่งแบบไม่เสียเงินเดี๋ยวคนรอรับจะไม่ได้รับบุญเพราะบุญที่เราได้จากการนั่งสมาธินี้ไม่รู้ถ้าจิตมันไม่รวมมันไม่สงบมันก็ยังไม่ได้บุญยิง เอาบุญจากการทำทานดีกว่าแน่นอนกว่าคนที่เขารอก็จะได้รับไปได้เอามารอจากการนั่งสมาธินี่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เวลาจิตเคยรวมก็ยังนั่งสมาธิกันมาเนี่ยถ้าจิตยังไม่รวมมันก็ยังไม่เป็นความสงบที่แท้จริงครับถามต่อไปจากคุณเชตุรินรนะครับลูกขอถามพระอาจารย์เรื่องลูกสาวตอนนี้ลูกสาวอายุสิบหกปีเรียนอยู่มสี เกิดปัญหาคือตอนนี้ไม่สนใจเรียนเถียงพ่อเถียงแม่แอบไปมีแฟนตอนนี้ลูกรู้สึกเหนื่อยมากนอนไม่หลับและนั่งสมาธิไม่สงบเลยเจ้าค่ะลูกขอให้พระอาจารย์ชี้แนะทางสว่างให้กับลูกด้วยเจ้าค่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกปัญหาอยู่ที่เราที่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความอยากของเราอยากให้ลูกเรียนจบอยากให้ลูกอยู่ในทํานองครองธรรมแต่ตอนนี้ลูกเขากลาย กลายพันธุ์ไปแล้วถ้าเป็นผลไม้มันก็กลายพันธุ์ไปแล้วจากมะม่วงหวานกลายเป็นมะม่วงเปรี้ยวไปแล้วแต่เรายังอยากจะให้มันหวานอยู่เราก็เลยทุกข์แต่เราต้องดูว่าเราเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าเราดึงเขากลับมาให้เขาเป็นเหมือนเมื่อก่อนนี้ได้หรือเปล่าถ้าดึงเขาได้ก็ดึงมาถ้าดึงไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไป ปัญหามันที่กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราไปอยากให้เขาเป็นตามความอยากของเราเนีย่ยถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นปกติเราก็ต้องปล่อยวางเขาเราทำให้ดีที่สุดกันแล้วกันดึงเขากลับมาแล้วถ้าเขาไม่กลับมาเขาจะไปทางของเขาาก็ต้องปล่อยเขาไปถือว่าเป็นวิบากของเขาเราห้ามไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายจากกันไป คำถามต่อไปจากคุณชุติมา <He ep. S 1> ครับแล้วกี่ข้อ อ, อยังมีอีกเยอะเลยครับเลยเอาสักสามข้อก็เลยนะนะวันนี้ท่านจะเหนืห่อยแล้วคำถามต่อไปจากคุณชุติมามีคนทําให้โกรธแต่สมาธิมาทันนิ่งแทนแต่ในใจยังเคืองอยู่เจ้าคะ่ะแบบนี้ถือว่ายังสอบไม่ผ่านใช่หรือไม่เจ้าคะ่ะก็ก็ได้คะแนนไม่เต็มร้อยถ้ายังถ้ายังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่มันก็จะได้เต็มร้อยก็พยายาม พูดโทต่อไปพยายามทําสมาธิต่อไปอย่าจะอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวมันก็หายไปหมดคําถามต่อไปจากคุณการนาครับการนิ่งได้วางเฉยกับทางโลกได้ถือเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่เจ้าคะเพราะต้องอยู่ร่วมกับทางโลกอะไรเราไม่มีความอยากได้อะไรใครอยากจะได้อะไรก็ปล่อยเข้าเอาไปถ้านิ่งแบบนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัวเช่นการอยากจะเอาตำแหน่งของเรา ก็ให้เขาไปใครอยากจะได้อะไรเราเราไม่ไปแข่งขันกับเขาปล่อยเขาไปเราอยู่เฉยๆเราพอใจกับตําแหน่งของเราตําแหน่งที่สูงกว่านี้เขาอยากจะแย่งกันเราไม่ไปแย่งกับเขาอย่างนี้ถ้านิ่งแบบนี้ก็ไม่เห็นกัดตัวแต่ถ้านิ่งแบบถึงเวลาต้องทํางานแล้วตัวเองก็หลบไปกินกาแฟไปอ่านหนังสือพิมพ์ถ้านิ่งแบบนี้มันก็เห็นกัดตัวมันมุกอยู่ที่วันมันนิ่งแบบไหนอา้าวสุดท้าย คุณนาโนครับอาณาปานาสติวิปัสนายานทั้งสี่สอดคล้องสัมพันธ์กันไหมครับปฏิบัติอย่างไรครับคืออาณาปานาสติก็คือการฝึกเจริญสติเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้เป็นสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นธรรมต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราทั้งธรรมธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีคือกุศลและอกุศลธรรม เราก็จะได้กาจัดอากุศลธรรมไปแล้วก็สร้างรักษากุศลธรรมให้มีอยู่ในใจก็จะทำให้ใจเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆมันก็เกี่ยวเนื่องกันก็มีแค่นี้แล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะปล่อยให้ญาติโยมกลับไปอินเดียแล้วก็